เอานะ่าอย่าซีเรียกเรื่องข้อดีของการสูบบุรี 1. ห, ห, ห, หนึ่งขโมยไม่กล้าขึ้นบ้านเพราะคนสูบบุรี่ จะอายอยู่ตลอดเวลาขโมยจะคิดว่าเจ้าของบ้านยังไม่นอนสองหมาไม่กล้ากัดเพราะคนสบุบรีร่างกายไม่แข็งแรงต้องอาศัยไม้เท้าคอยประยุงตัวอยู่ตลอดเวลาหมากลัวไม้เท้าจึงไม่กล้าเข้าใกล้สามไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะแก่ เพราะคนที่สูบบุหรี่มักจะตายก่อนแก่ 4. ประหยัดในการซื้อน้ำหอมเพราะตัวคุณจะมีกลิ่นตัวที่หอมซึ่งเป็นกลิ่นที่คุณชอบติดตลอดเวลา 5. คุณจะได้เทรนสีของฟันใหม่เป็นสีเทาควันบุหรี่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม 6. นิ้วของคุณจะไม่รู้สึกเจ็บ เนื่องจากขี้บุรีเป็นประจำจนทำให้นิ้วด้านเจ็ดบ้านของคุณจะปลอดภัยจากการคุกคามของยุงไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเชลท็อก 8. เมื่อถึงระยะสุดท้ายของชีวิตคุณจะได้พักผ่อนอย่างสบายใจเพราะจะไม่มีใครเข้ามายุ่งกับคุณเลยแม้แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ตาม คุณจะเป็นคนที่สังคมรังเกียจเหมาะมากสำหรับผู้ที่ชอบสันโดษหรือมีโลกส่วนตัว